โดยชาติกุศลวิบากกิริยาที่เป็นการมาวจรนะเวนอกุศลเนี่ยก็มาแบ่งเป็นกุศลวิบากกิริยากุศลมีอะไรมัางกุศลก็เป็นมหากุศลโสมนัสสวิบากวิบากไม่4โสมนัสสันติรณะหนึ่งเนี่ยนะโสมนัสสันติรณะหนึ่งอะไรก็5กับ เป็นห้าเนาะเป็นหแล้วกิริยากิริยานี่สี่บวกโสมนัสอีกหนึ่งโสมนัสหัสีตุปาทัจิตเป็นอีกหนึ่งเป็นห้าเพราะนนั้โสมนัสนี่จะแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งเป็นกุศลวิบากกิริยาอานะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะโสมนัสที่เป็นกามาวจรก็มาไล่าตามชาติก่อนว่าชาติอากุศลชาติกุศลชาติวิบากชาติกิริยาก็มาไล่าตามชาติก่อน สร็แล้วรูปาวจรก็เวนเว น, เวนจตุทะชานใชเวนจตุทชานโดยจดตุกนัยเนี่ยนะหรือเวนปัญจมชานเนี่ยเป็นโสมนัสส่วนอรูปาวจรเป็นอุเบขาลุ้นๆอย่างเดียวอยู่แล้วจตุทชานก็เป็นอุเบขาส่วนโล ก, กุตระก็คือถ้าแบ่งระดับปฐมชานถึงจตุทชานเป็นโสมนัสถ้าเป็นอุเบขาเป็น อุเบคานะถ้าเป็นจตุทชานเออขอไปเป็นตัญจมะชาญ น, นี่นะัเป็นอุเบขาวิธีเนี่ยถ้าเราจําตัวเลขอะไรไม่ได้เลยนะก็พยายามเอาชาติมาไล่เอาว่าว่าเขาเข้ามาจากยังไงอะไรมีอะไรประกอบมาบ้างทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็ฝึกคิดแบบนี้มากๆก็จะเห็นชัดแต่ถ้าไล่มานะย่อๆธรรมดาเลยอะ่ะสุขนะเอาแบบเวทนา 3, สามเสร้ยอิถารม พ ก, ก็เสวยอณิถารมถ้าอทุกขมสุขเสวยมัชตารม์ก็แบ่งที่อารมณ์มาเราก็จะรู้แล้วว่าเวทนาเป็นอะไรแล้วสุขก็มาไล่ต่อไปว่าสุขเป็นกามาวจรสุก เ, เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาหรือสุขเป็นกามาวจรรูปาวจรหรือโลกุตระเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีเอามาฝึกไข้ครวนฝึกคิดดู นี่กใ็ให้ให้แนวทางไปนะเพราะวาา่าใครที่ไปเจริญอธิจิตตสิกขาปัญญาเกิดมากขึ้นใช่ไหมก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้มามาใคร่ครวนมาพิจารณานี่ยเ น, น่ยการศึกษาพวกนี้ทั้งหมดนี่คือกลุ่มพื้นฐานของจิตตานุปัสสนาทั้งนั้นเลยเพื่อละอะไรนิจ ว, วิปลาสใช่ไหมเพื่อละนิจ ว, วิปลาสนะในการแยกแยะแบบนี้ แต่การเรียนเรื่องจิตเนี่ยต้องต้องศึกษาไว้ให้แม่นมากเพราะเจตสิกทั้งหลายต้องอ่านไปตามจิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะเพราะว่าอย่างเช่นเอเจตสิกดวงนี้มันจะเกิดร่วมกับจิตดวงไหนได้บ้างมันก็มาแบ่งตามเวทนาถ้าเรียนเรื่องจิตไม่ดีนะเจตสิกนี่ท่องหูหลูบหมดเลยเหมือนนน่นนยก็เรียนยากแต่ถ้าเราเรียนพื้นฐานจิตแล้วมันแบ่งตัวไปยังไงมายังไงนะส่วนเจตสิกก็จับยศชุดอ่าก็เรายกแผงไปใส่เลยอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เรียนไม่ยากเนี่ยนะ แต่ผู้มีบุญทั้งหลายเขาอ่านๆเขาก็จำแนนเนาะก็จำแล้วแต่ว่าเข้าใจหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งขอให้ mm hmm. มันจำไว้ก่อนดีทั้งนั้นหลยของมานี่จะไม่ตาหนิเลยว่าจำไม่ดีเว้นไว้ถ้าไม่จำเนี่ยไม่ดีอันนี้ไม่ไม่จำนี่ไม่ดีอยู่แล้วเขาจวมมอคีอะไราบอกไหเลยจะมาามว่าจกุนนกริยาอขาบอกได้เลยบอกได้เลย แ ต, แต่ถ้าเรียนเราเรียนแบบค่อยๆเข้าใจนะเราต้องร่างขึ้นร่างสูตรก่อนนะนะค่อยๆ ค, ค, คิดก่อนแต่ถ้าเรียนแบบท่องไปเลยก็เบาเบาในแง่ว่าไม่ต้องไปใช้ความคิดเรื่องนี้เอาไปใช้ความคิดเรื่องอื่นแทนนีแต่ถ้าเราเรียนแบบทาความเข้าใจอย่างเดียวโดยที่ไม่ท่องอะไรเลยเนี่ยถามว่าช้าไหมช้ามากเนี่ยนะถ้ามเมื่อไรที่ยาณวิปยุทธเข้าเมื่อนั้นก็แย่แล้วนะตามพวกไม่ทันละอย่างหนึ่ง เมื่อใดที่ถีหน้ามิถะเข้าเนี่ยหหาไปครึ่งชั่วโมงเลยอัอนนี้โดยเวทนาเนยก็เอามาคิดดูแต่ว่าจำไม่ได้อะไรก็เนี่ยสเสวยอิทธารมสเสวยอ น, นิธาารมสเสวยมัชชตารมสังเกตดูนะเมื่อหลายเราเฉยเฉยก็แสดงว่ารับอารมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่พอใจนั ก, ก น, นะ ถ้าเฉยๆนะก็เป็นอารมณ์แบบธรรมดาๆนะพื้นๆถ้ารับเรื่องอะไรดีๆที่น่าปรารถนาบ่อยๆเนี่ยนั่งยิ้มได้ทั้งวัน่ะเพราะรับอิทธารมตลอดแต่ถ้ามณสิการอนิถารมเมื่อไหร่ก็แหมใจฝ่อไปเยอะเลยง่ายเวทนาเป็นนนึงก็ดนะง่ายไม่ไม่ใบุคไม่ใตัวตนอะยงไเาก็ ก็ดูวัตถุประสงค์นะที่ว่ามาศึกษาคําสอนนี่เพื่อประโยชน์อะไรศึกษาก็เพราะว่าจุดจุดประสงค์ก็คือที่สุดของวิชาอยู่ที่ไหนนะเราก็ต้องไม่ลืมแล้วก็ต่อไปนะโดยสัมปโยคานี่ทั่วๆไปก็ยกสัมปยุทธกับวิปยุทธสัมปยุทธวิปยุทธสัมปยุทธโดยอนะเขามีอะไรสัมปยุทธมั่งจิตนะจิตจิตนี่เอาอะไรมาสัมปยุทธมั่งหนึ่งเอาทิฏฐิถ้าเป็นโลภะนะ ทิฏิมาสัมปยุตกับวิปยุตแบ่งเป็นสองถ้าอันนี้โลภะโลภะจิตนะถ้าโทสะจิตเอาปฏิฆะมาวิปยุตมาสัมปยุตเหมมาวิปยุตมาสัมปยุตถ้าเป็นมหากุศลวิบากกิริยาเอายานมาสัมปยุตวิปยุตตกอันนั้นเองนะโมหะ ถ้าโมหะเอาอุทจฉามาวิปยุตหรือเอาวิจิกิจฉามาวิปยุตมาสัมปยุตนยนะเอาเอาอุทจฉาวิจิกิจฉาถ้าเป็นมหากุศลมหาวิบากมหากิริยาเอาฌานถ้าขออภัยเอาญานเหนะเอาญานมาวิปยุตสัมปยุตถ้าเป็นฌาน อ, อะไรมาสัมปยุตวิปยุตเอาวิตกวิจารปีติ ศกเอกักขตามาเป็นเป็นตัววิปรประยุตสัมประยุตเนี่ยนะเช่นว่าปฐมฌานมีองค์เหล่านี้ถ้าทุติยชฌานไม่มีวิตกตติยชฌานไม่มีวิจารจะตุทชฌานไม่มีปีติจะตุทชฌานไม่มีศุ ข, ขึ้นอุเบขาเนี่ยนะก็ก็ไล่ไล่ไปอย่างนี้ ส่วนมร์แปดละ่ะโลกุตระมร์เอาอะไรมาสัมปะยุทธ์โลกุตระเอาอะไรมาสัมปะยุทธ์นะโลกุตระนี่แบ่งออกเป็นสองนะโลกุตระเนี่ยนะสิ่งที่ควรเอามาสัมปะยุทธ์คือมร์แปดนะเอามร์แ8ดนะมาสัมปะยุทธ์เอาองค์มร์เสร็จแล้วค่อยมาแบ่งว่าเมื่อมีมร์แ8ดเนี่ยมร์แปดระดับปฐมฌานหรือระดับทุติยฌ า, านหรือระดับ ตัทยาชาหรือระดับจตุตชานหรือปัญจมะชาเน่ยอันโล ก, กุตระตรงๆเลยต้องเอามักมามาสัมปยุทธ์มักแปดนะเจตสึกแดเนี่ยมาสัมปยุทธ์แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ทูติยาชาเป็นต้นไปเนี่ยตัดอะไรห ร, หรือองค์มักเจดเพราะว่าตัดตัววิตตากะออกไปนเนี่ยนะมันก็ต้องเอาองค์มักไว้ก่อ น, นเนี่ยนะเอาองค์ชาอย่างเดียวเลยไม่ได้พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะสัมปยุทธ์ถ้าไม่สัมปยุทธ์กับสิ่งเหล่านี้เรียกว่า วิปปยุทธ์เนี่ยนะอันนี้ในแง่นี้นะตัวเลขเราจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่าอะไรเป็นตัวเลขอะไรเท่าไหร่นะพยายามสังเกตว่าถ้าโลภะต้องสัมปยุทธ์กับอะไรถ้าโทสะต้องสัมปยุทธ์วิปปยุทธ์กับอะไรถ้าโมหะสัมปยุทธ์กับอะไรถ้ากุศลสัมปยุทธ์กับอะไรถ้าฌานสัมปยุทธ์กับอะไรโลกุตระสัมปยุทธ์ต่ออะไรสัมปยุทธ์ในที่นี้หมายถึงเจตสิกที่มาประกอบที่เด่นที่สุดเอาเอาที่เด่นในจิตดวงนั้น น, นนะ จริงๆแล้วมีเจตสิกประกอบตั้งเยอะนะในหนึ่งดวงอ่ะแต่เอายอกเอาที่ดวงที่เด่นๆมาถ้าโลภะก็เอาทิฏฐินะแต่ถ้าเป็นวิปยุทธอะไรสามารถเกิดได้มานะามีวิชาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งที่ที่ควรควรทราบ ในองค์มรักแปดปกตินั้นหะนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดยมรักที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิอันนี้ที่เป็นกุศลนะสัมมาทิฏฐินี่ต้องละละอกุศลในโสดาปฏิมรักเนี่ยสัมมาทิฏฐิละอะไรโสดาปฏิมรักนะถ้าโสดาละ มิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาตะคือสัมมาทิฏฐิละมิจฉตะคือมิจฉาทิฏฐิอ น, น, นโสดาปฏิมักเหมือนกันนะถ้าสกะทาคามีมักเล่อคะนี้เอาสัมมาทิฏฐิละอะไรสกทาคามีมักสัมมาทิฏฐิละอะไรบอกละอเพราะโสดาบันเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิแล้ว ละมานะแทนมานะจะไปอยู่ในฐานะทิฏฐิมันหยาบเหมือนทิฏฐิเลยมา น, านะนะท่านว่าอย่างนั้นนะถ้าอนาคามีมัจสำ ม, มาทิฏฐิของพระอนาคามีก็ละมานะอีกเมืนกันละหมดไม่ไมหมดใช่ไหมในเน๊ละละแบบไม่หมดใช่ไหมละไม่หมดมยังไงสุดสุดคือมันก็ค่อยๆละมาตามสมควรแต่ฐานะ นะละละตามสมควรแก่ฐานะเพราะว่ามานะเนี่ยของอย่างสมมติแบบพระโสดาบันกับปุถุชนต่างฝ่ายมีมานะนะแต่คนละเรื่องกันเลยมานะ น, นั้นถ้าพระโสดาบันกับพระสกท า, าคามีทั้งคู่มีมานะนะแต่พระสกท า, าคามีมานะท่านจะต่างจากพระโสดาบันมากห่างกันมากนะเทียบกันไม่ติดหรอกดังนั้นเขาบอกว่าเพราะ อ, อ, อารหัต สัมมาทิฏฐิก็ละมานะอีกเหมือนกันมานะจะมาอยู่ในฐานะของทิฏฐิแทนอนะันนั้นคือมิจฉาสังกปะก็ละขออภัยสัมมาสังกปะก็ละมิจฉาสังกปะใช่ไมก็ค่อยๆละกันตามลาดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็อันนี้เขายกทิฏฐิมาแทนยกมานะมาแทนทิฏฐินะพระโสดาบันละไอที่ไม่เป็นจริงออก ละไปเรื่อยๆตามสมควรเจริญพรนี่ก็มาดูจิตที่เป็นอาสังคาริก ส, สังคาริกนอนะอาสังคาริกก็ที่ที่ทวนกันคุ้นเคยกันามาหน้าตนหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล่างๆเลยนะจิตโดยภูมิมีสี่ใช่โดยชาติก็มีสี่โดยสัมปโยคามีสี่ สัมปโยค่นี่สัมปโยค่ากับอะไรสัมปโยค่ากับเจตสิกมีเอกุปาทะนิโรธะเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตหรือเจตสิกนะจิตเนี่ยเกิดพร้อมกับเจตสิกมีอารมณ์เดียวพร้อมกับมีอารมณ์เดียวกับเจตสิกรับดับพร้อมกับเจตสิกอาศัยวัตถุเดียวกับเจตสิกเนี่ยนะโดยจิตโดยสังขารก็แบ่งเป็นกลุ่มอาสังคาริกสังคาริก โดยฌานก็มีวิตกวิจาร์เป็นต้นโดยอารมณ์อารมณ์นี่ก็ที่ตรงนี้ยกตัวอย่างมาเลยแหมกระสินุคาติมาขาดจริงเขาก็เริ่มแบ่งมาตั้งแต่ใช่ไหมมีอารมณ์6เดี๋ยวปริเชศสามเนี่ยจะบอกว่าจิตอะไรรับอารมณ์อะไรแน่นอนเป็นต้นจริงๆก็คืออารมณ์6นั่นแหละรูปเสียงกลิน่นรสผลทธภัพธรรมารมณ์ทีนี้ธรรมอารมณ์เนี่ยก็แตกต่างกันไปถ้าฌานทั่วๆไปก็มีบัญญัติเป็น อารมณ์นะผสมมัชฌาณจนถึงกิตติมชฌาณโดยปกติโดยมากมีบัญญัติเป็นอารมณ์อรูปฌานอาการสามีกสีนุคาติมากาศวิญญาณัญญายาตนะมีอาการสามัญญายาตนะเป็นอารมณ์อากินจัญญายาตนะมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เนวะสัญญาณสัญญายาตนะมีอากินจัญญายาตนะเป็นอารมณ์นั่นนะก็แบ่งกันไปนั่นนะถ้าโลกุตระก็มี นี่ผ่านเป็นอารมณ์ซึ่งอารมณะหรืออารมณ์นี้จะเรียนอีกครั้งหนึ่งในปริเชษ3เนี่ยนะส่วนจิตโดยมักก็มีสี่มักเนี่ยนะโสดาปฏิมักเป็นต้นส่วนที่เหลือก็มาดูดูแบ่งเอาอะนะก็เป็นการวิธีการฝึกคิดเรื่องจิตนะว่าเรารอบรู้ในเรื่องจิตมาขนาดไหนนะจริงๆก็คือเมื่อไรที่เราปิดตําราดูนะว่าความคิดเรื่องจิตจะมีอยู่ในใจเราบ้างไหมมาวิเคราะห์ในชีวิตที่ ที่เป็นจริงอ่ะนะก็หวังว่าสาระที่เรียนเรื่องจิตทั้งหมดอยู่ตรงนั้นว่าเมื่อปิดตำราเดินออกนอกห้องแล้วก็เอาเรื่องจิตเนี่ยมาวิเคราะห์เห็นฝุน่นเห็นต้นไม้ใบหญ้าคิดนึกเรื่องอะไรว่าจิตอะไรที่ไปคิดเรื่องราวเหล่านั้นบ้างก็เอามาวิเคราะห์ดูนะการแยกแยะเรื่องจิตให้ชัดโดยทั้งโดยวัตถุโดยอารมณ์และโดยสัมปยุตธรรมที่สาคัญมากก็คือจะวิเคราะห์ในแง่ไหนก็ลืมอย่าลืมเรื่องกุศลและอกุศล ถ้ารู้เรื่องกุศลในเรื่องอกุศลสิ่งที่ควรคิดตามมาคือเรื่องกรรมเนี่ยนะเรื่องกรรมว่าชีวิตวันวันหนึ่งเราคิดจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากสร้างเหตุแห่งความสุขหรือเหตุแห่งความทุกข์มากก็ก็เอาส่วนเหล่านี้มาวิเคราะห์ถึงชีวิตจิตใจของเราโดยปกติอัธยาศัยอันนี้เป็นวิชาพื้นฐานของการไปเรียนจิตตานุปัสสนาเพราะตัวจิตตานุปัสสนาก็ต้องเอาจิตเหล่านี้มาโดยอนุปัสสนา7็อีกครั้งหนึ่ง ตามเห็นจิตแต่ Rich, แตและประเภทที่กล่าวไปแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นจิตเหล่านั้นว่าเป็นของเที่ยงตามเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห like ็นว่าเป็นสุขตามเห็นจิตเหล่านั้นทั้งหมด <heric> ว <mel entrada> ่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลินในความคิดตามเห็นโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ตามกําหนัดตามเห็นเพื่อที่จะดับไม่ให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นแหละไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างสร้างความคิดขึ้นเนี่ย ความคิดในวัตะเนี่ยไม่ควรสร้างขึ้นแล้วก็ตามเหม็นเพื่อการสลัดคืนบริจาคความคิดให้ได้นะบริจาคความคิดนะบริจาคให้ใครล่ะคะเนี่ยเอาก็ไม่ต้องให้ใครแล้วจิตมันก็ของจิตไม่ได้ปัจจัยมันก็ไม่เกิดเองนัแหละพราะมันจิตเป็นใครอะ่ะครับก็ไม่ใช่เป็นของใครก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะจิตเป็นสังขารธรรมเมื่อได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นแต่ทีนี้สัตว์ทั้งหลายปุตุชนทั่วๆไปนเนี่ยนะ ย้อนใหม่บุคคลที่จะดับจิตได้จริงๆมีอยู่สองทนคนตายนี้ดับจิตได้จริงไหมไม่ได้คนที่ดับจิตได้มีคือเข้านิโรธสมาบัติอันนี้จึงจะดับจิตได้จริงคือดับไม่มีความชิดเลยเจ็ดวันกี่วันก็ว่ากันไปกลับ จุติจิตของผ่าฐันจิตจะไม่เป็นอนันตระตัจใจอีกต่อไปนี่นะก็เป็นอันว่าสิ้นเชื้อแล้วนะตอนนี้ก็เทียนไปต่อยังไงก็ต่อไม่ติดอีกแล้วไปจุดเทียนที่พุทธคยามาตอนนั้นต้นต้นไหนที่ลมมันพัดดับไปก่อนถ้าจุดก็ติดนะนะตัวไหนที่มันมอดไปถึงโคนแล้วก็จุดอีกก็ไม่ติดชั้นใดจุติจิตของพระ่าฐันก็ต่างจะเหมือนกับ ประทีปที่หมดไส้หมดน้ำมันเนี่ยนะถึงผู้ใดไปจุดอีกก็ไม่ติดในรัตนาสูตรเนี่ยตอนที่พระองค์กำลังแสดงรัตนาสูตรเนี่ยเขาจะโบราณเนี่ยนะที่เมืองไทยาลีเขาจะมีประทีปน้ำมันเขาจะมีแองงแองน้ามันแล้วก็จะมีไส้ในนี้จุดไฟมันก็ติดนะนี่พระองค์ก็แสดงรัตนาสูตรไปเรื่อยๆนะใกล้ไฟจะดับพอดี มันมีดวงหนึ่งนะผมก็แต่ละขนนีน า, างบุรณังนวังนาท่สัมพวงังวิรตจิตายาติเกผวสเมิงเตนะขีพชานี่นก็พูดแบบนี้นะบอกว่าพาลทหารเนี่ยท่านก็สิ้นพืชสิ้นชาสิ้นพืชก็คือสิ้นปฏิสนธิเนี่นะเพรา ะ, ะนั้นจุติจิตของท่านเกิดก็เหมือนกับประทีปที่ที่ดับประทีปที่สิ้นเชื้อสิ้นน้ํามันสิ้นอะไรเนี่ยนะก็ก็ดับหมายถึงปฏิสนธิจิตก็ไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ทีนี้สําหรับสัตว์ที่เพลิดเพลินในวัฏฏะคิดไม่ออก สัตว์ที่คิดว่าเออไม่ไม่เห็นแล้วมันดียังไงเนี่ยนะไม่ไม่ไมตัวนนี้คิดไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าป่วยไข้ขึ้นเต็มถ้าหายป่วยแล้วดียังไงอันนี้ตอบได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นสังขารหรืออุปาทานขันทุกชนิดเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนอะไรเป็นโรคนะเมื่อใดที่สําคัญว่าอุปาทานขันทุกอันเป็นโรคจิตก็จะน้อมไปหาความสงบอันนั้นแต่ถ้าหากว่าตามเห็นว่าอุปาทานขันเย็นเสมอ จริงๆมันไม่ได้เย็นนะแต่ถ้าคิดว่ามันเย็นล่ะเดี๋ยวก็จะร้อนเนนะก็เรื่องจิตก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็จบเท่านี้ด้วยเดี๋ยวเรียนเจตสิกค่อยว่าใหม่ก็พูดถึงจิตอีกนั่นแหละ